ไูเจอ น, าาน้ําอะไรไม่นะพวกอืดพวกอมมาเกียนมาเทอ น, อ น, นหนึ่งละน้ําปานะต้องสะอาดเนะน้ํำปานะน้านะนําปานะนี่ต้องสะอาดพวกไาช น, นะพวกอะไรนี่ต้องสะอาดผลไม้ต้องสะอาดเราสังเกต ด, ดูเราไม่ได้ฉัน อ, อะไร <laughs> เราฉันน้ำเมื่อตอนเที่ยงมันไม่ย่อยท้องมันไม่รับมันไล่กลับคืนยังไม่หมดมันพวกอืดพวกอมอยู่ มันไม่มีอย า, อยางหนึ่งเราไม่ได้ฉันอ ย, าอย่างหนึ่งฉันน้ำอย่างเดียวมีตอนค่ามันก็นยังไม่ได้ฉันฉันน้นแต่ตอนที่ยังมาแล้วก็ดูมันจะมีก้อนเนยอะไรฉันไปสองก้อนน้าภาชนะทาซ้ําๆซักๆนะทํายังไงก็ตามให้สะอาดพวกภาชนะพวกมีดน้ําก็ต้องสุกภาชนะใส่ก็ต้องสะอาดมีดก็ต้องสะอาด เปียงพวกอะไรที่ทําเครื่องปั่นเปื่อยเลต้องสะอาดหมดเนี่ยเราท้องว่างๆมันมันรับเร็วมันรู้สึกเร็วสังเกตตัวไม่ได้ฉันเลยฉันน้ํามา่อวานเลยกดเนยสองก้อนสก้อนทั้โป่มือเลยเกลียดจะไม่รุนแรงดอกยาหอมไปฉันหมดแรงปาตาดเบกตาเดินเฉยๆแล้วหมดแห้งเลย หมแรงแบกตาเดินเฉยเฉยนี่แหละหมดแรงแล้วเมื่อเช้านี้ฟาจะหมดแรงเท่านึงแล้วเมื่อเช้านี้ฤดูพายุมรสุมมีลมมีฝนใบไม้กุฏิคลายกุฏิคลายมันเกล็ดกรางก็ต้องทงความสะอาดนะกลับกุฏิปกกุฏิสกปรกต้องรีบป่าทำความสะอาดบนสลาถ้าหากมาได้ฝนตกหนทุ่มสอทุ่มมาช่วยกันทำความสะอาด ถ้าเราไม่ทําความสะอาดน้ําที่มันสะอาดเข้ามาตอนเช้าขึ้นมาเป็นคราบไปหมดนะเรารักษาพื่นเนี่ยรักษายากต้องมาเช็ดออกเราใครมีความขยันมีความอุตสาหพยายามจะเห็นหน้าแหละใครไม่เห็นก็ น, นอนซุปืูนนั่นแหละไม่สนแหะใครทำอะไรไม่สนแหะตองดูกนะันเดียวอยู่วัดต้องให้รู้กันเหมือ น, อนกันเอาไว้ว้อนดีกว่ากันไอ วัยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรให้ลูกทันนะวาไว้หมดเดียวกันมีเสียงตีลังปั๊บอ๋อเสด็มาวันนี้มีการรวงกันบนสลาก็ต้อง ร, รีบคลี่กุญรีบจรบจรีบเสร็จรีบเมีย่ยนทุกอาทุกสมมาสลาให้ ไ, ไม่ช้าเกินเกนเวลาถึงเกินครึ่งชั่วโมงไปอีกอบนตานียี่สินาทีท่านต้องให้ถึงสลหมด ยีนาทีนี่ไม่ได้ตีะตระฆังนะยีมวัตามเมืก่อนนั้นไม่ได้ตีระฆังวันไหนไปชุมก็ให้ไปเดินบอกกันใครอยู่ต้นสายตรงไหนก็ไปบอกกันคนละสายละสายละสายละสายรีบถึงยีวรถึงผ้าผู้นั่งถือไว้ใช้รีกุจอมาบางคนก็มาถึงก่อนมาถึงก่อนประจัดที่ก่อนไม่ได้บอกลงหน้าแบบแบบเราบอกอย่างนี้แต่ท่านไม่ได้บอกลงหน้าแบบนี้ ให้เราบอกลงหน้าบองอะไรจัดที่ไว้ก่อนไม่ได้บอกลงหน้ายี่สิบนาทีต้พร้อมรงบนชลาเนี่ยเหมือนอวัยวะเดียวกันความสมัครใความพร้อมเพรียงมีความรู้มีความไวต่อความเป็นอยู่ในวัดในวางเราเมื่อวันลมฝนพายุมีใครบ้างใบมงใ บ, บไม้ต้นไม้หักกิ่งไม้ ลงสายปฏิใครบ้างเวลาฝนตกฟ้าร้องลมพายุอะไรมาอนี้ก็ต้องช่วยตัวเองนะต้องจะช่วยตัวเองจะเก็บจะเมี่ยนสิ่งของอย่างตามปกติของส่วนรวมก็ต้องดูช่วยเก็บช่วยเมี่ยนของส่วนตัวก็ต้องดูเรามาอยู่นี้เราต้องรับผิด ช, ชอบตลอดรับผิด ช, ชอบตัวเองรับผิด ช, ชอบบมดทุกอย่างทุงตัวเองหมดทุกอย่าง การปฏิบัติธรรมคือการเพึ่งตัวเองการตั้งใจเพึ่งตัวเองเนะตัวเองคิดด้วยตัวเองทําด้วยตัวเองในสิ่งที่เป็นกุศลเนึนได้คิดได้ทําได้ทันว่าเป็นมหากุศลอะไรก็ต้องเขาเรียกอะไรก็ต้องเขาบอกหมดทุกอย่างยังไม่ใช่มหากุศลของตัวเองเป็นที่ตั้แม้แต่ข้อมัดต่างๆที่เราทําอยู่ทุกวัน เราก็ควรจะพัฒนาว่ายังไงมันจะดีขึ้นยังไงมันจะดีกว่าเราก็พยายามทาไม่ใช่เท่าไรก็เท่าเดิมเท่าไรก็เท่าเดิมนอกจากนั้นแล้ว่ายิ่งหย่อนยานมากกว่าเดิมอันนี้แย่นะอันนี้แย่มากาเราอยู่ในความประพฤติการปรับเนื้อปรับตัวจะต้องพัฒนาจะต้องก้าวหน้า ต้องแข็งแรงจะต้องแข company, ็งแกร่งไปข้างหน้าไม่ใช่อ่อนแอไปข้างหน้าถ้าอ่อนแอไปข้างหน้าไม่ใช่แล้วนะอ่อนแอไปข้างหน้าสักวันหนึง่งกิเลสมันเหยียบแล้วไม่ต้องสักวันข้างหน้าแหละมันเริ่มเหยียบตั้งแต่ตอนนั้นแหละตอนอ่อนแอนั่นแหละกิเลสมันเหยียบแล้วใครชอบนิสัยอ่อนแอกิเลสชอบชอบเหยียบรลดแมันเหยียบร้องอกอใจมันร้องอกอก ของมันม่รู้สึกตัวตามหลังมันต้ไต้ยต้ยต้ไ ต, ต, ตรู้สึกตัวก็ตอนนุ่นกระวนกระวายเร่าร้อนละ่ะเหลือร้อนเหลือเนื้อร้อนใจแล้วเพราะอะไรเพราะมันไปสอาเจอมันสอบไปแล้วมันไปเจอพิษใจมันสอบไปกเิเลตพาสอบสอบไปสอบไปสอบไปมันไปเจอพิดเจอส อ, องข้อมันอ๋อนึกถึงเรื่องรักนี่ก็เป็นพิษเหมือนกันนึกถึงเรื่องชัง เป็นพิษเหมือนกันนึกถึงการได้เปรียบการเสียเปรียบการน้อยเนื้อตามใจการถูกเบียดเบียนการถูกเอาเปรียบ<ม>เคยถูกเบียดเบียนเคยถูกอิจฉาริษยาพยาบาทหรือมีนิสัยอิจฉาริษยาพยาบาทคิดไปแล้วไปเจอกองทุกก อ, องโทษนะเจอพิดนั่นแหละกิเลสพานึกพาคิดมันไปเจอพิษเจอภัยแบบนั้นแหละ เรามาอยู่ภาวะแบบนี้ให้เรานึกเรื่องธรรมเราคิดเรื่องธรรมเราพิจารณาเรื่องธรรมเรื่องธรรมก็คือเรื่องที่มีสติมีสัมปชัญญะอยู่กับเนื้อกับตัวย้อนมาที่ใจของเราเริ่มต้นนั่งภาวนาปไปย้อนมาที่จิตของตัวเองย้อนมาแล้วมันเป็นอะไรก็ย้อนลงย้อนเข้าไปดูย้อนเข้ามาแล้วเกิดความรู้ทั่วพร้อมหรือเปล่าย้อนเข้ามาแล้วเกิดความรู้ทั่วพร้อม เรื่องต่างๆที่มันพาเราคิดวุ่นวายไปมันก็ตัดออกนะเพราะตัวสติตัวสังขชัญญนะทำงานประสัทประสานกันบ่อยครั้งคราวคราก็กลายเป็นปัญญาเป็นปัญญาพื้นๆเพื่อที่จะมารักษาดูแลจิตของตัวเองเป็นมีเป็นผู้มีสติมีปัญญารักษาคุ้มครองจิตของตัวเอง เราะฉะนั้นท่านจึงให้ย้อนมาบ่อยๆการปฏิบัติธรรมต้องเป็นตัวของตัวต้องพึ่งตนอัตตาอั ต, ตโนนาโถต้องตนพึ่งตนตนพึ่งตนเนพึ่งที่ไหนย้อนมาที่จิตของตัวเองจะเห็นความสมบูรณ์ความบกพร่องในกิริยาที่กายของเรานะ่ยเห็นความสมบูรณ์เห็นความบกพร่องในกิริยาที่วาจาของเรา ว่าใจของเราเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมกายกรรมของเราเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมแล้วกจีกรรมอามโนกรรมของเราเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมนึกคิดในภายในเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมถ้าไม่เป็นธรรมมันนึกคิดไปแล้วมันไปเจอกองทุกข์เจอพิษนั่นแหละร้องโอ้ลักขึ้นมาแล้วเจอกองทุกข์ร้องโอ้ออกขึ้นมาล้อยู่ดีๆสบายๆ ไม่ชอบนึกชอบคิดเรื่องธรรมชอบคิดเรื่องชอบนึกเรื่องธรรมก็คืออยู่กับนึกกับตัวคิดพิจนารณาดู ก, กายของตัวเองเป็นเรื่องธรรมกลายเป็นอนิจจังกลายเป็นทุกขงังกลายเป็นอนัตตาที่พุทธิจักที่พระตาท่ทานแสดงธําจบไปอันกลายเป็นอนิจจังเป็นทุกขงังเป็นอนัตตาพยายามย้อนมาให้เห็นมันอนกลายเป็นอนิจจัง เราก็เจริญอนิจตะสัญญาเข้าไปสําคัญว่ากายของเราไม่เที่ยง เ, เจริญทุกขสัญญาสําคัญว่ากายของเราเป็นทุกเจริญอนัตตะสัญญาทำความสําคัญว่าไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราเป็นอนัตตาเนี่ยเรย้อนมาแล้วเราไม่มาพิจารณาแบบนี้มันก็เป็นทาง ยิ่งพิจารณาไปเท่าไจรจิตใจที่ยิ่งอ่อนยิ่งเบายิ่งนิ่มยิ่งเกิดความสวา่างสวยในตัวเองเกิดสติเกิดปัญญาแพรา ว, ราวเป็นกระอะคุ้มเป็นเ ก, กราะกำบังใจของตัวเองกำบังจากใจที่มันหลงแล้วก็มันเหลิงไปตามอำราจของกิเลสที่มันชักมันลากมันเดินไปเลย มี่คือกิริยาที่เป็นธรรมนำความสุขนำความชุ่มเย็นทำมากเท่าไรทำน้อยเท่าไรยิ่ทงทํามากเท่าไรก็ยิ่ ง, งมีกุศลเป็นกุศลเราบัตเป็นคนฉลาดสะสมคุณงราความดีสะสมสติปัญญาให้เกิดขึ้นมีขึ้นในใจของตัวเองภาวะดัง้งเดิมของร่างกายของเราของสัตว์ ของมนุษย์ของสัตว์ของสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่รอบข้างตัวเราพระพุทธเจ้าท่านทรงทราบอย่างชัดเจนว่ามีลักษณะสามอย่างที่ท่านเรียก ว, ว่าไตรลักษณ์ไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาไตรลักษณ์ไตรคือสามลักษณะคือลักษณะสามลักษณะอนิจจังลักษณะทุกขัลักษณะนิจจังลักษณะอนัตตา นี่คือลักษณะที่เราศึกษาให้รู้ให้เห็นแล้วเราจะไม่นิ่งนอนใจเราจะไม่ดูใจเราเราจะไม่นิ่งนอนใจเราจะไม่ช่าใจเราจะไม่ประมาทเราจะไม่นิ่งนอนใจไม่ตายใจกับกายนี้ไม่ตายใจกับภาวะรอบข้างตัวเรานี้ไม่ตายใจกับโลกนี้ไม่ตายใจกับความเป็นอยู่ในเดี๋ยวนี้ขณะนี้ ท้องความระมัดระวังรักษาเนืรักษาตัวอยู่ตลอดทุกระยะทุกเวลาเพราะอะไรเพราะสําคัญว่าเป็นอันิจบหงที่แรกเราก็สําคัญซะก่อนคําว่าสําคัญสําคัญยังไงว่ า, าสัญญาเร า, เาสัญญามากกันมากเกินซะก่อนร่างกายของเราเป็นอันิจบหงก็คือไม่เที่ยงคือร่างกายเป็นสังขารจิตใจของเราก็เป็นสังขาร ปกติสังขารทั้งหลายทั้งปวงที่เขาประกอบกันแล้วเนี่ยเขาจะไม่อยู่ในสภาพเดิมเขาจะต้องเปลี่ยนไปเขาจะไม่อยู่ในสภาพเดิมเขาจะต้องเปลี่ยนไปเราดูมาที่กายของเราเนี่ยกายของเราเนี่ยเคยหยุดนิ่งไหมร่างกายของเราเนี่ยเขาของเราไม่หยุดนิ่งนอกจาก <t> หายใจเข้าหายใจออกให้เราเห็นให้เรา <t> เราู้แล้ว <t> <ห> <adopt> ภายในเนื้อหนัน ง, ง ata, มังสังเกตมังสัง ทั้งหลายเนี่ยรวมทั้งกระดูกภายในร่างกายของเรามันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกระยะทุกเวลาทำไมถึงเปลี่ยนแปลงก็เพราะสังขารมันเปลี่ยนตัวไปเรื่อยเปลี่ยนตัวไปเรื่อยเปลี่ยนตัวไปเรื่อยเราดูจากเราเกิดในท้องแม่มันจะเปลี่ยนตัวออกมาเรื่อยออกมาเรื่อยออกมาเรื่อยออกมาเรื่อยโตครบกําหนดเจดเดือนแปดเดือนคลอดออกมาเห็นอยู่คงที่มันไม่อยู่คงที่โตมาเรื่อยโตมาเลยเพราะสังขารเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อย กาเรเปลี่ยนลักษณะนั้นเรียกว่ามันเปลี่ยนมาตามไวัาครบเจ็ดเดือนครบแปดเดือนเก้าเดือนก็คลอดออกมาในขณะเดียวกันสังขารทั้งหลายก็ดูดดื่มดูดดืด่มกินวัตถุวัตถุธาตุในท้องแม่ธาตดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟในตัวของสังขารเองก็สังเร็จรูปมาจากธาตุของพ่อของแม่ เมื่ออยู่ในท้องแม่อย่างเดียวเจริญเติบโ ต, ตมาได้ด้วยดินน้ำลมไฟธาตุดินธาต้น้ำธาตลมธาตไฟจากแม่ดูดเดิมกินกินจากแม่สังขารเราดูมันอยู่คงที่ไม่อยู่คงที่มันจะเปลี่ยนตัวมาเรื่อยเปลี่ยนตัวมเรื่อยเปลี่ยนตัวมาตามวัลักษณะนี้ท่าเรียกว่าอั น, นจร เ, เราจะเรียกว่าทุกขังคือมันไม่ทนอยู่ในสภาพเดิมมันไม่ทนอยู่ในสภาพเดิม อนนี้ทุกข <through> ังก็เหมือนอันนี้จำอันนจ้จำก็เหมือนทุกขัง per ทุกขังยังไงอันนี้จำก็อย่างนั้นอนิีจจำยังไงทุกขังก็อย่างงั้นโดยเหตุที่มันไม่อยู่ในสภาพเดิมมันจึงเปลี่ยนไปกิริยาที่เปลี่ยนไปทัานจึงเรียกว่าอันนจ้จำสภาพมันอยู่ตามสภาพเดิมไม่ได้มันเป็นทุกขังมันเปลี่ยนสภาพปั๊บกลายเป็นอันนี้จำอันนี้เป็นสภาวะดั้งเดิมของสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวง เราพยายามดูให้เห็นดูง่ายๆคือดูในเท้าแม่เราเกิดในเท้าแม่เกิดมาจากอะไรเกิดมาจากธาตุของพ่อของแม่ผสมกันผสมกันแล้วอยู่คงที่ไหมไม่อยู่คงที่เจริญมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยไดอายุได้เวลาก็ออกมาเราดูลักษณะแบบนี้เราจะเห็นว่าโอ้สังขารไม่เที่ยงลักษณะที่ธาตุพ่อกับธาตุแม่ผสมกัน สรรพสิ tunes, ่งทั้งหลายในโลกนี้นับตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปที่เรียกว่าสังขารสิ icas, poet, animals, ่งประกอบกันตั้งแต่สอสิ่งเป็นต้นไปที่เรียกว่าสังขารเมื่อประกอบไปแล้วนี่เขามีแต่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเรื่อยเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเรื่อยเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเรื่อยแล้วก็พอถึงการถึงเวลาถึงวัยถึงการถึงเวลาเขาก็จะแตกสลายไปตามการตามเวลา ตามอายุไขของสังขารต่างๆเหล่านั้นเหมือนคนคนเราเกิดมานับแต่วัยต้นวัยกลางามัดชิมวัยจนปัดชิมวัยปัดชิมวัยคือวัยสุดท้ายวัยวัยสุดท้ายเหมือนกับสะพานโค้งๆมันขึ้นไปขึ้นไปพอถึงกลางกลางคันมันก็ค่อยๆกลมรองกลมรองกลมรองโค้งๆงนักเนี่ยอ่า วัยของคนเราก็ชินเดียวกันเริ่มเจริญไปเจริญเต็มที่ก็ค่อยๆเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมล ง, มลงในที่สุดถึงร้อยปีร้อย ป, ปีร้อยกว่าปีเจ็บก็าตายไม่เจ็บก็าตายป่วยกว็าตายไม่ป่วยกว็าตายเพราะมันหมดวั ย, ยสังขารที่เขาเกาะคุมกันอยู่นั่นเขาจะไม่คงที่ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยไม่คงที่นั่นแหละคือความเป็นทุกข์ทุกข์าัทุกขั มันเป็นโดยสภาวะของมันไม่มีใครทานี่แหละสภาวะที่ท่าเรียกว่าลักษณะไตรลักษณ์ไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาทุกขังกับอนิจจังนัะไม่มีใครสามารถจะไปเปลี่ยนแปลงทางมันได้ด้วยเหตุที่เราเปลี่ยนแปลงทางไม่ได้ท่านจิงตรัสพระองค์รู้เจ้าท่านจึงทรงตรัสว่าอนัตตาอนัตตาเราบังคับบัญชาให้กลืนไปตามใจหวังเราไม่ได้ท่านจิงสรงตรัสว่าอนัตตาอนัตตา ไม่ใชตัวใชตนเราพิจรารณาเห็นอันนีจ้จำทุกขัขงอนัตตาในกายของเราในใจของเราเราจะได้ไม่ประมาทไม่นิ่งนอนใจเราจะไม่ตายใจกับกายนี้กายจะอ้วนจะพีจะอยู่เย็นเปรตสุขอย่างไรก็ตามเราจะไม่หลงคึกขนองไปตามร่างกายนี้เราจะไม่ประมาทในความเป็นอยู่สุขสบายสุขสํารานะ์ถึงครามมีกําลังบังชาดีถึงครามไม่มีโรค ถึงคราวพร้อมด้วยไวที่มีกําลังวางชาสักวันหนึ่งร่างกายนี้ก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันเปลี่ยนไปทุกขณะของของใจนั่นแหละมันเปลี่ยนเปลี่ยนไปทุทกขณะของเวลาเนี่ยรูปธรรมคือร่างกายนี้เปลี่ยนไปทุกขณะของเวลาอ่าอันนี้เราพอจะเห็นดูเห็นง่ายๆดูให้เกิดภาพพจน์โอ้เราเกิดในท้องแม่ที่แรกก็เป็นน้ําหยดน้ําใสาๆก็เริ่มเจริญมาเลยเจริญมาเลยมันจะไม่คงที่หรือ เจริญมาเลจริญมาเลจริญมาเล ย, เ, เ, ลยเพราะเขาไปประกอบกันแล้วก็มีปฏิสนธิวิญญาณมาเกาะปฏิสนธิวิญญาณก็คืออํานาจของกรรมภายในใจดวงนั้นแหละมาเกาะมาคุมมายึดมาครองเหมาะสมพอเหมาะพอสมกับกรรมภายในใจนั้นมันสอบมันเสวียหาเองอกรรมที่มีอยู่ภายในใจกรรมมันจะพาไปสอบไปเสวียน หาที่เกิดของมันเองหาร่างของมันเองสมควรจะได้เป็นสัตว์มันก็ไปเป็นสัตว์ไม่สมควรจะได้เป็นมนุษย์มันก็ไปเป็นสัตว์ไม่สมควรจะได้ไปเป็นสัตว์ก็เป็นเปรตเป็นสารรกเป็นอะไรไปตามอํานาจของอิจใจที่ต่ำสัางถ้าละเอียดขึ้นมากกว่านั้นก็เป็นมนุษย์ก็มาเกิดบัตรเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ชั้นเลวเป็นมนุษย์ชั้นกลางเป็นมนุษย์ชั้นดีเป็นมนุษย์ชั้นอัจฉริยะมนุษย์มันก็เป็นไปตามอุณตามกรรม กรรมที่มีอยู่ภายในัใจนั่นแหละใจของใครมันจับจองภายในท้องอภายในหยดน้ําที่ธาตุของพ้อกับธาตุของแม่ผสมกันเส็แล้วก็จะจับจองน่ะจับจองจากถือครองอยู่ในนั้นโดยรูปธรรมแล้วเราไม่ได้เ อ, อะไรไปเกิดในท้องแม่เราไม่มีอะไรสักหยดหนึ่งไปเกิดในท้องแม่เราดูตรงนี้แล้วให้เราเข้าใจว่าร่างกายที่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราไม่ใช่เราก็คือไม่มีเลือดเราสักหยดเลยที่เราเอาไปผสมในท้องแม่ไม่มีมีแต่ธาตุพ่อกับธาตุแม่ผสมกันไม่มีเลยแต่พอเราออกมาแล้วเราพยายามยึดเหลือเกินถือเหลือเกินว่าร่างกายตัวตนเป็นเราเป็นของของเราเยอะจนเหนียวแน่นมัน่นคงโอ้ร่างกายเราอ่ะก้วนเหลือเกินขาวเหลือเกินงามเหลือเกินผ่องเหลือเกินลหลงไหลไฟเฟอ้อละเมอ อยู่นั่นแหละไม่จบไม่สิ้นน่ไม่รู้จักความรุ่มโร่งอีกกิเลสมันเสาะแท่งให้เรามีความยึดมีความถือนะโดยลืมต้นต อ, น ต, อนตัวเองล้ตัวเองได้อะไรได้อะไรขึ้นมาเกิดขึ้นจากอะไรลืง ค, ความยึดถือตัวเองเราพิจารณาแบบนี้ได้ประโยชน์ทําให้เรารู้จักที่มาของกายเรานี้ที่เกิดของกายเรานี้เหตุปัจจัยของกายเรานี้ ก็เหตุปัจจัยที่ทําให้ได้กายนี้ก็คือมาจากอานาจของกรรมกรรมอยู่ที่ใจกรรมเป็นพลังของใจเป็นอานาจของใจใจคือผู้รู้ผู้รู้นี้จะไปด้วยกรรมผู้รูจีจะอมกรรมคือผู้รู้ของใครของใครของใครนจะมาด้วยการอมกรรม้ามาใครทํากรรมดีขนาดไหนขนาดดีขนาดปานกลางขนาดชั้นเลิศ เกินมนุษย์มนาก็ไปเป็นเทวดาไปเป็นอินไปเป็นพรองไปตามอํานาจของบุญกรรมที่มีภายในใจนี่เหตุปัจจัย ม, มีมาอย่างนี้ที่จิตใจของใครของใครก็ตายแล้วก็ไม่จบตายแล้วพาที่เกิดใหม่ตายแล้วพาที่เกิดใหม่ตายแล้วไม่จบทําไมจึงไม่จบเพราะมันมีตัวพากาะพ่อก่อชาติอยู่ไม่รู้จักจบจนกว่าเราจะมาพิจารณาทําลายตัวนี้ตัวที่พาเรารุ่มโรนี่แหละ พิจารณาด้วยปัญญาของตัวเองให้เกิดความรู้สึกหน่อยให้เกิดความตื่นเหนือยตื่นตัวขึ้นมาพิจารณาเกิดความบวมหรือความหนายเมื่อเกิดบือเมื่อเกิดหนายแล้วมันจะคลายคลายจากการยึดติดอย่างเหนียวแน่นมั่นคงเราย้อนไปที่ใจของเรามันยึดติดอะไรบ้างเราย้อนไปแล้วเราจะเห็นในขณะที่เรานั่งยึดติดอะไรบ้างในขณะที่เราเดินยึดติดอะไรบ้าง เรานอนเราดื่มเราทำเราพูดเราคิดเดินนึกคิดสารพัดะมันยึดติดอะไรบ้างเรามาดูไปมันยึดอะไรมันติดอะไรถ้าเราย้อนไปดูมันบ้างเราก็จะรู้กนอุบายมายาของกิเลส ท, ที่มันแทรกเข้ามากับความนึกกับความคิดของเรานี่ยแหละซึ่งเป็นกนอุบายมายาของกิเลสอันเกิดขึ้นจากสิ่งที่เคลือบที่แฝงมากับผู้รู้ของเราผู้รู้ของเราไม่บอยสุทธ ผู้รู้เบเราไม่บริสุทธิ์ก็มีสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์เคลือบแฝงมาสิ่งที่เคลือบแฝงมาก็คือกิเลสนั่นแหละกิเลสมันพาเคลื่อนแฝงมากิเลสทาให้ใจเราเศร้าหมองกิเลสทําให้ใ จ, จิตใจมีเปลี่ยนสถานะไปเรื่อยเปลี่ยนสถานะไปเรื่อยถ้าหมดกิเลสแล้วใจจะไม่เปลี่ยนสถานะใจจะดารงคองอยู่บริสุทธิ์ผุดพองอยู่อย่างนั้นตลอดอนันตกาลเพราะฉะนั้นพวกเราชาวพุทธ มีหน้าที่ชาระขัดกล่าวกิตใจของเราให้พ้นไปจากมวลถิ น, นคือกิเลสภายในหัวใจมีหน้าที่ที่เราจะมาชะมาล้างมากําจัดปัดเป่าก็คือการปฏิบัติธรรมนี่แหละถ้าเราไม่กําจัดปัดเป่าไม่ชําระไม่ชะไม่ล้างสิ่งที่เป็นมวลถิ น, นคือกิเลสแล้ววันคืนล่วงไปมันก็มีแต่การสะสมกิเลสกิเลสนี้ถ้าเราไม่ทําลายมันมันก็ยิ่งก่อตัวมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น แต่ถ้าเราเริ่มรู้เราเริ่มชักเราเริ่มล้างเราเริ่มลดเริ่มละเริ่มปล่อยเริ่มวางก็เมือนก็ถูกชักล้างชักล้างชักล้างถ้าเป็นสิ่งไม่สะอาดก็เริ่มสะอาดเข้าไปด้วยสะอาดเข้าไปด้วยจิตใจที่เต็มไปด้วยกิเลสมีสภาพเศร้าหมองมืดตื้อเมื่อเราเริ่มชักเริ่มล้างจิตใจจิตใจดวงนั้นก็จะเริ่มพองจะเริ่มใสจะเริ่มมีแสงสว่างแพราวในตัวเองเกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมาตื่นเมื่อตื่นตัวขึ้นมา ไม่หลงไปตาม อ, อํานาจกรรมบาปกรรมของกิเลสที่พาที่พาเราไปสอบสยนหากองทุกข์ชีอย่างเดียวโดยถ่ายเดียวมีอํานาจของธรรมะที่เราฝึกฝนอบรมมาในภายในใจของเรามีเรารู้ที่มาของกายกายได้มาอย่งไรได้มาจากธาตุของพ่อกับธาตุของแม่เจริญเติบโ ต, ว, ต ว, วัฒนาถาวรมาตาม อ, อํานาจของอนิจจังทุกขังอนัตตามีใครไปบังคับบัญชาอะไร้างร่างกายเนี่ย มันต้องแก่ใครบังคับได้บ้างมันต้องเจ็บใครบังคับบัญชาไม่ให้เจ็บได้บ้างมันต้องตายใครบังคับบัญชาไม่ให้ตายได้บ้างอันนี้คือทางเดินเป็นทางหลวงของกิเลสเป็นทางหลวงของสิ่งที่มีสภาพเร้าหมองเคลือบแฝงมาที่กายร่างกายนี้เป็นผลผลของใจที่มีกิเลสอ่า ถ้าใจไม่มีกิเลสใจเ็าไม่ต้องมีกายใจจะต้องไม่จะไม่อาศัยกายใจจะดำรงสภาพความบริสุทธิ์อยู่อย่างนั้นเป็นหนึ่งเดียวไม่มีสออกับสิ่งใดไม่มีสังขารเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นวิสังขารปลอสังขารหมดสังขารแต่ด้วยเหตุที่ใจไม่บริสุทธิ์จิตใจก็มีสังขาร้ามาเกี่ยวข้องสังขารตัวนี้แหละมันปรุงมันแตง่ง สังขารทงนี้มันพรมมันแต่งเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอาวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารทั้งหลายทั้งปวงเนะี่ยเราทําด้วยอวิชชาเราทําด้วยความไม่รู้ด้วยความด้วยความรู้ไม่เท่าทียสังขารสังขารกายเราก็รู้ที่มาที่ไปอย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ยสังขารจิตต่างหาโอกาสที่เราจะย้อนไปเพื่อเห็นที่ไปที่มาของสังขารจิตนั้นไม่มีน้อย มันมีอวิชชาคอยไปปกป้องคุ้มครองทำให้จิตขเรานี่มืดทึบไม่มีสติไม่มีปัญญาตามรู้เท่าทันคนกบายมายาของเกลียดในหัวใจเป็นเหตุให้เรานึกเป็นเหตุให้เราคิดเป็นเหตุให้เราพรุงนี่อวิชชาอาวิชชาความไม่รู้ไม่เข้าใจแต่ถ้าตั้งใจประพฤติธปฏิบัติไปวิชชาก็จะเริ่มเกิดขึ้น วิชาเริ่มเกิดขึ้นอวิชาก็เริ่มเริ่มลดลงไปวิชาคือความรู้เริ่มเกิดขึ้นอวิชาคือความไม่รู้ก็เริ่มถอยลงไปเริ่มถอยลงไปเริ่มรู้จักเนื้อรู้จักตัวของตัวเองรู้จักรู้จักอะไรเป็นเหตุให้เกิดสังขารอ็พิจารณาพอสังขารมันเก่อตัวขึ้นมาแล้วสังขารเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นเหตุให้เกิดนามรูปเนี่ยวิญญาณหมายถึงจิตตัวนี้น่ะ คำววิญญาณตัวนี้หมายถึงจ็บนะหมายถึงธาตุรู้หมายถึงผู้รู้เมื่อมีจิตแล้วมันก็แสวงหาที่เกิดมันสามารถมีได้ทั้งรูปธรรมมีได้ทั้งนามธรรมตามภูมิตามภาวะของมันตามภูมิที่ไม่มีรูปธรรมก็คือได้ฝึกฝนอบรมเกี่ยวกับเกี่ยวกับอรูปอเป็นเหตุให้ได้เกิดในในอรูปปพเอรูปปปุพเพอรูปปปุพเพแต่ถ้าหาก ไม่เจริญอารมณ์ที่เป็นรูปก็เป็นจิตธรรมดามีความนึกมีความคิดธรรมดายังมีการยึดยังมีการเกาะจึงแสวงหาจึงแสวงหาที่เกิดอืพรวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามไละรูปรูปก็คือกายเนี่ยนามก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างพวกเราเกิดในเป็นมนุษย์นี่เราก็มีขันต์ตั้งห้า ขันทั้งห้านี่เป็นเป็นกองทุกขันทั้งห้านี่เป็นผลิตผลของกิเลสเป็นผลิตผลของอของกิเลสที่มันมาพร้อมกับจิตที่ไม่บริสุทธิ์อะไริน ญ, ญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปเป็นนามรูปนามรูปก็เป็นปัจจัยเกิอดอายตนะเช่นอย่างพอเรามีร่างกายอัตภาพร่างกายแล้วก็มี ม, มีตามีหูมีจมูกมีลิ้น ม, มีกาย แล้วใจก็เป็นเครื่องต่อในภายในตาเป็นเครื่องต่อในภายนอกอใจเป็นเครื่องต่อในภายในมีทั้งรูปธรรมมีทั้งนามธรรมาเป็นเครื่องต่อเครื่องต่อที่เรียกว่าอายตนะเมื่อมีอายตนะแล้วมันก็มีผัสสะต้องมีกระทบมีตาแล้วก็ต้องไปกระทบรูปรูปอยู่ภายนอกตาอยู่ภายในผู้ที่ไปรู้สึก กับความกระทบก็คือใจคือผู้รู้คือธาตุรู้คือนามาทําเนี่มันเกาะมันเกาะมันเกี่ยวมันคล้องกันอยู่อย่างนี้พัฒนาเป็นให้เป็นเหตุให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นเหตุให้เกิดเวทนาตัณหาเป็นเหตุให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นเหตุให้เกิดตัณหาอายตนะเป็นเหตุให้เกิดตัณหาอายตนะเป็นเหตุให้เกิด เวทนาอายตนะคือการกระทบอายตนะทั้งหลายกระทบกันก็เกิดความรู้สึกดีรู้สึกไม่ดีเป็นเหตุใ้เกิดเป็นเเกิดเวทนาเกิดสุขเวทนาเกิดทุกขเวทนาก็ยินดีกับสุขเวทนายินร้ายกับทุกขเวทนาเมื่อเมื่อยินดีก็คือยึดยึดถือยึดถือตามอำนาจของตัณหาตัณหามันยึดถือเวทนายินดีตัณหาก็ยึดถือตัณหาคือความอยาก ดีมันก็ยึดไม่ดีมันก็ยึดไม่อยากไม่อยากมันก็คือตันหาไม่อยากไม่ยึดมันก็เป็นตันหาอยากยึดก็เป็นตันหาคือไม่ไม่ไม่อยากในสิ่งที่ไม่สบอารมณ์ไม่ยึดเข้ามาไม่ยึดเข้ามาแต่ไม่พอใจไม่ยินดีไม่พอใจมันก็เป็นตันหาเพราะฉะนั้นตันหาอะไรเป็นอุปาทานไปโดยอัตโนมัติคือยึดเอาถึงเอาเมื่อมีอุปาทานแล้วก็ต้องมีภพ พะก็คือแดนแห่งคุณสมบัติของจิตสถานะของจิตที่เปลี่ยนไปไปเป็นพบอย่างไรอย่างหนึ่งนี่ด้วยเหตุด้วยเหตุนี้ที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสสแสดงปฏิจจสมุปบาทเพื่อให้เราพิจารณาให้รู้จักเหตุให้รู้จักปัจจัยต้นตอในกายของเราในจิตของเราใน รูปรธรรมของเราคือกายในนามนธรรมของเราก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพื่อรู้ที่ไปที่มาเพื่อจะได้พิจารณาเพื่อจะทำลายความลุ่มหลมของตัวเองเพราะขันธ์ทั้งห้านี้เป็นตัวให้เกิดทุกข์การยึดมั่นถือมั่นในกายในขันธ์ทั้งห้านี่แหละคือรวมที่รวมแห่งทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้เพราะฉะนั้นพวกเรามีขันธ์ทั้งห้า เรามีรูปด้วยกันทุกคนเรามีเวทนาสัญญาสังขารด้วยกันทุกคนมันก็เกิดจากการยึดมั่นถือมั่นเป็นผลผลของกิเลสทำให้เรามีพบมีชาติม่รู้จบจบไม่รู้จบิ่งเพราะฉะนั้นเราพิจารณาเพื่อให้รู้เห็นเหตุเห็นปัจจัยเห็นต้นต่อของมันเราเพ่อจะได้เพื่อจะได้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจเกิดความฉลาดเกิดความสว่างสวยทาลา ย, าลายตัวโมหะภายในใจทุกตัวเอง เพราะอะไรเพราะโมห oh ะมีในใจของเรามากเท่าไหร่กิเลสก็พาเรานึกเราคิดออกนอกลูน่นอกทางนั้นนําำกองทุกข์ทั้งหลายมาทับถทุ่มใจใเรามากเท่านั้นถ้าอะไรที่เรารู้จักเรารู้จักสติปัญญาของเราหนึ่งร้ขึ้นมาเราก็จะเห็นสภาวะทั้งหลายทั้งปวงถามที่มันมีอยู่จริงเป็นอยู่จริงร่างกายร่างกายประกอบไปด้วยอนิจจัง ก็เห็นอันนี้จำตามที่มันมีอยู่จริงเป็นอยู่จริงเป็นทุกขังก็รู้รับทราบรับรู้โอ้อันนี้จำโอ้ทุกขังเราบังคับบัญชามันไม่ได้โอ้เป็นลน้าตาเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ชินไม่เชื่องกับอัตภาพร่างกายที่เราพึ่งพาอาศัยอยู่นี้อาศัยเป็นหินลับให้เกิดสติให้เกิดปัญญาเพื่อรู้เท่าทันเพื่อปลดเพื่อปล่อยเพื่อละเพื่อวาง หรือที่จะน้ยเกิดความเบื่อความหน่ายความคลายความจางเมื่อเกิดความเบื่อความหน่ายความคลายความจางการยึดมั่นถึงมั่นโดยอุปาทานก็เบาลงเบาลงเบาลงเบาลงถึงที่สุดเราก็สามารถถึงอริยธรรมเป็นชั้นเป็นภูมิถึงสามารถเข้าถึงอริยธรรมเป็นชั้นเป็นภูมิเป็นต้นไปยคติความเป็นไปความเป็นมาของเราของท่านทั้งหลาย ดยเหตุที่เราไม่ได้หยินไมน่ได้ฟังได้ได้ศึกษาเรื่องอักเรื่องธรรมเราก็มืดตื้อไปหมดแล้วไม่มีอะไรที่จะมาส่องสว่างในหัวใจของเราทำให้เรามืดมิดปิดทวารวิ่งตามกิเลสวิ่งวุ่นตามกิเลสทุกวันความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดที่ใจไม่ใช่โยโย่มาเกิดขึ้นมาเฉยมันเกิดขึ้นมาอย่างมีเหตุมันเกิดขึ้นอย่างมีเหตุวิธีแก้เราจะแก้แอย่างไงเราก็ต้องย้อนไปที่เหตุ ย้อนไปที่เหตุโอ้เหตุเป็นอย่างนี้อเมื่อเราย้อนไปเห็นเหตุย้อนไปเห็นเหตุบ่อยครั้งเข้ามันก็ไอเหตุที่เป็นตัวกิเลสที่เป็นตัวตัณหาที่เป็นตัวพาจิตดิ้นที่โยธยานอยู่ข้างในมันก็จะค่อยๆแ อ, อ่อนแรงลงค่อยๆอ่อนแรงลงพอราย้อนเข้าไปมันก็จะค่อยๆอย่อนแรงลงเริ่มเริ่มมีสติเริ่มมีสัมปชัญญะเริ่มรู้เท่ารู้ฐานกวนอุบายมายาของมัน โมหะพายในใจก็ค่อยหมดไปค่อยค่อยหมดไปความมืดมนมนับการในหัวใจของเราก็ค่อยหมดไปค่อยค่อยหมดไปความสว่างสวยด้วยสติด้วยปัญญาเขาก็ค่อยผ่ อ, ยองขึ้นใส่ขึ้นใสขึ้นใส่ขึ้นจนรู้ชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรอะไรคือสภาวะธรรมที่มีลักษณะเป็นไปตามอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาอะไรคือ ภาวะความลุ่มหลงที่เรายึดเวทนายึดสัญญายึดสังขารยึดวิญญาณซึดเป็นนามธรรมาในภายในเราก็จะได้ ใ, ใช้สติ hooting, ใช้ปัญญาพิจารณาตามอย่างต่อเนื่องเพื่อขัดเพื่อเปล่าเพื่อฉันเพื่อหล้างกิเลสตัณหาที่มันพาเราลุ่มหลงนี่แหละให้หมดไปให้เบาบางไปในที่สุดนะดังที่กล่าวนี่แหละไม่มีใครอยู่อยู่แล้วก็ความทุกข์เกิดขึ้นในหัวใจ เวลาความทุกข์เกิดขึ้นในใจท่านท่านทั้งหลายลองย้อนเข้าไปดูว่าเกิดขึ้นมาจากสาเหตุใดลองย้อนไปย้อนไปย้อนไ ป, นไปลราจะเห็นเลยอ๋อมันเป็นปรุงเรื่องนั้นมันไปก่อเรื่องนี้เรื่องทุกขก่อเรื่องโทษก่อจนเป็นเหตุวุ่นวายปลดปล o n ปล่อยจากหัวใจไม่ได้กลายเป็นกลายเป็นพาใจนึกพาใจนึกพาใจคิดจนวุ่นหักห้ามให้มันสงบให้มันอยู่ก็ไม่ได้กลายเป็น เครียดไปหมดนะเครียดมากๆคิดมากๆคิดเครียดมากๆนึกมากๆเครียดมากๆเครียดมากๆเข้าเป็นโรคประสาทกลายเป็นประสาทเนี่ยต้องต้องได้อาศัยกลายเป็นสิ่งกระทบกระเทือนไปสู่ประสาทสมองต้องเกี่ยวข้องกับกับยาต้องเกี่ยวข้องกับหมอเนี่ยมันเป็นไปได้จริงจริงมันเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากการนึกการคิดของเราไม่มีประมาณเนี่ย นึกคิดไม่มีประมาณก uh. ็คือนึกคิดตามาตอำนาจของกิเลสนึกคิดมีประมาณก็คือนึกคิดตามอำนาจของธรรมนึกคิดตามอำนาจของธรรมก็คือนึกคิดแบบย้อนเข้ามาที่กายของเราย้อนเข้ามาที่พฤติกรรมกายของเราที่วายจารของเราพฤติกรรมที่ใจของเราย้อนเข้ามาดูใจของเราตลอดเมื่อเราย้อนมาแล้วเราก็จะเห็นพฤติกรรมของกายนะทําผิดหรือทําถูกทําเป็นจริงเป็นธรรมหรือทําผิดจริงผิดธรรม วิยาวาจาพูดเป็นศีลเป็นธรรมหรือธรรมหรือพูดผิดศีลผิดธรรมความน้อมนึกในภายในนึกน้อมนึกตามอํานาจของตันหาอาสวัตน้อมนึกตามความเสียวทยานอยากของตันหาที่มีอยู่ภายในจิตมันพานึกพาคิดพาดิ้นพารนหรือมันพานึกโดยอํานาจของธรรมนึกโดยอํานาจของธรรมคือนึกแบบมีสติมีสัมผัสัญญะเช่นอย่างชัน สอนให้เราภาวนาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธมีสติมีสมาธยัญญกรรมกับทุกระยะทุกเวลานีคือนึกอย่างเป็นธรรมนึกอย่างเป็นธรรมเราจะมีความสามารถล่วงรู้แล้วก็เท่าทันลักษณะกลอุบายของกิเลต ส, ส ต, ตัางหาอาสวัตต่างๆทั้งหลายเหล่านี้เราจะต้องหยุดให้ความนึกเขาคิดนะเพราะฉะนั้นครูบราอาจารย์พระพุทธเจ้า จึงเอาแบบสมถตมาให้เราบริกรรมกําหนิดให้เราจิตใจของเราสงบสงบประกอบไปด้วยสติประกอบไปด้วยสัมผชัญญะประกอบไปด้วยอาตปะคือความเพียรประคับประคองใจของตัวเองเช่นอย่างเรานั่งภาวนาพุทโธพุทโธพทรู้อยู่กับผู้รู้รู้กับรู้อยู่กับผู้ว่าพุทโธเราพุโพุทโธพุทโธพุทโธรู้อยู่กับพุทโธรู้อยู่กับผู้รู้ว่าพุทโธ อยู่ด้วยกันเราจะว่าว่าทีนี้ก็ได้พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแต่ว่าให้สติขึ้นใจยัยับยับยับหรือเราจะเอาลมมากำกับก็ได้ลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทนี่ เ, ออ nay, เราได้ทั้งกิริยาของรูปธรรมคือลมหายใจเข้าหายใจออกเราได้ทั้งกิริยาของนามธรรมคือดัมริพุทโธพุทโธได้ทั้งสอง หลวงปู่มั่นทั้งสอนให้บริกรรมกําหนดพุทธเข้าโทออกุโทพุทโทพุทโทพุทธโทจิตเราต้องการให้จิตสงบโดยที่เราไม่มีกิจกรรมให้เขาทำเนี่ยเขาจะสงบไม่ได้แต่ถ้าเราให้เขาอยู่กับอารมณ์เดียวคือพุทโทพุทโทพุทธโทมีสติมีสมาัญยะกํากับอยู่โอกาสที่กิเลสมันจะพาดึงจิตของเราไปนึกไปคิดออกนอกลู่นอกทางคิดสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยแก่หัวใจของตัวเองมีน้อย เนื่องจากว่ามันเล็ดรอดไปไม่ได้สติของเรากล้ากว่าปัญญาของเราแข็งกว่าอตัวโมหะตัวรุ่มหลงที่จะคอยสอดสอดแทรกเข้ามาในหัวใจของเรามันก็กําลังไม่พอเมื่อกํำลังไม่พ อ, ม, ม, พอมันก็ตอกไปตอกไปมันก็ไม่ไปไหนมันก็ตามเรามาเนี่แหละเลพลอ่วปับก็สวมบ่อยเต่าเพลิพ่ับก็สวมบ่อยเั่าเพราะฉะนั้นเราจะต้องระวังทุกขกิตอ่าสิคือทําใจสงบ เราให้เขาสงบทีเดียวไม่ได้ถ้าเราไม่ทํากิจกรรมให้เขาเราทํากิจกรรมก็คือเรานั่งภาวนาพุทโธเดินจงกรมพุทโธพุทโธพุทโธยืนก็พุทโธพุทโธพุทโธนั่งก็พุทโธพุทโธพุทโธทําอะไรก็พุทโธพุทโธหรือประกอบด้วยกิริยาที่เราทําทํานู่นทำนี้เราก็มีสติมีสัมผยัญญาระลึกรู้ยับยับยับยับเข้าไปที่เรียกว่าอยู่กับเนื้อกับตัวตลอด นี่แบบว่าเอาธรรมะมากำ ก, กับจิตของเราจิตของเราถึงจะอยู่ไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสกิเลสก็มีการฉันทะพยาปาทะถีนัมิทะกุทธะจักจกุคุคจักวิจิกิจฉะนี่กิริยาของจิตที่กิเลสมันพานึกพาคิดไม่เกินไม่นองเนื้อไปจากนี้มันนึกคิดเรื่องการการฉันทะคิดไปคิดมาก็พอใจแค่เรื่องการวาดมโนภาพใหญ่ยยโตละ โอ้ทำอะไรสรารพัดเป็นเหตุเสียหายใหญ่โตขนาดไหนเป็นสิ่งที่น้อมนึกอยู่ภายในหัวใจนึกบ่อยครั้งเข้านึกบ่อยครั้งเข้าเป็นวิบากกรรมเป็นอกุศลวิบากเนี่ยมักลายเป็นอคติวิบากมันกลายเป็นการสะสมกิเลสขึ้นมาเพราะฉะนั้นท่านจึงให้อยู่กับอารมณ์ที่เป็นธรรอ่ามานึกคิดเรื่องความรักถ้าให้คิดถึงเรื่องความรักจิตใจยีใจนี่มันก็นกคิดถึงความชังอ่า พยาบาทพยาบาทะพยาบาทะก็คือนึกถึงพยาบาทพยาบาทก็คือการจองเวรจองเวรจองกรรมการการมั่นหมายเครื่องอยา่างนู้นอย่างนี้ขึ้นมาการมฉันทะพยาบาทะพยาปาทะคือพยาบาทคือนึกรักถ้าไม่รักก็คือชังพยาบาทก็คือชังเกิดจากแรงเกิดจากอํานาจของความชัง ความชังเป็นเหตุให้เกิดความเกลียดเป็นเหตุให้เกิดความโกรธเป็นเหตุให้เกิดความโทษเดือดดาลในหัวใจหัวใจนี้เป็นผาสุขหัวใจเรา่าร้อนดิ้นเดาเดาเเดเดอยู่ข้างนเนื่องจากไม่พอใจคือความโกรธนึกคิดไปนึกคิดมานึกอาฆาตนึกพยาบาทนึกพยาบาทคือผูกเวร น, นึกอาฆาตก็คือหมายมั่นปั้นมือไหวจะ ทำให้เขาเสียหายอย่างนั้นอย่างนี้ในทีเดียวมัอาฆาตพยาบาทนี่มันก็ไปจิตเรานึกวุ่นไปอยู่นั่นทีนัมิถะถ้ามันไม่รับไม่พยาบาทมันก็ง่วงเหงาเหานอนอจิตอ่ตาานอนแอจิตขี้เกียจงวงเหงาเหานอนบางทีร่างกายขี้เกียจด้วยจิตขี้เกียจด้วยไปด้วยกันเร็วคือหลับคร้ อ, อเร็วทีนมทัมิถะงวงเหงาเหานอนอ ถ้าไม่งอเ ง, งาเ ง, งาเห่านอนก็ฟุ้งซ่านาที้จะเรียกว่าอุทอดทัศจะกูุดทัศนเนิร์คิดจนฟุ้งซ่านปรุงจนตลืบเปิดปรุงเอาไม่อยู่อแล้วก็หรือไมกก่ก็กิริยาอย่างหนึ่งก็คือกิริยาลังเลสงสัยสงสั ย, ยพระพุทธเจ้ามีจริงไหมพระธรรมมีจริงไหมพระสงฆ์มีจริงไหมนึกไปนึกมาเออไม่มีจริงเออพระธรรมไม่มีจริงพระอริยสงฆ์ไม่มีจริงเนิร์คาดดาวไปธาอํำนาจของกิเลสเขาเรียกว่านึกสงสัย ลังเลสงสัยเมื่อลังเลสงสัยก็คิดว่าเอ้ยมักผลของเจ้าไม่มีทําไปกับลมลมแรงแร ง, ง, งทั้งๆที่เจ้าของทำยังไม่ถึงเหตุพอที่ให้เกิดผลเราก็เรียกร้องหาแต่ผลนี่เขาเรียกว่าเรียบร้องอย่างลมลมแรงแรงะนะวิจิกิจชาเกิดความลังเลสงสัยการแก้ข้อลังเลสงสัยนะเราแก้อย่างไรเราก็ต้องมาศึกษาถึงพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าที่สร้างบารมี สร้างบารมีท่านเกิดมาในภพชาติเป็นชิทตถะท่านก็ออกอืท่านก็เริ่มมีความอัศจรรย์เห็นไหมพุทธเจ้าของเรานะอัศจรรย์ตั้งแต่ตอนออกมาตอนตอนประสูตรมาแล้วก็ตอนไปแรกนาขอนเห็นไหมกิด ค, ความอัศจรรย์ยังไม่มีใครบอกใครสอนไปนั่งกําหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกทําให้ได้ฌานสมบัตินะสามารถเกิดฤทธิ์เกิดเดช ทำให้ร่มเงาของต้นไม้ไม่เปลี่ยนไปตามไปตามการส่องของตะ ว, วั น, เ, นเป็นเหตุอัศจรรย์ตั้งแต่อายุากี่วันแรกนาขวัญที่ห้าวันหรือเท่าไหรนนะ่ไปแรกนาขวัญจากนั้นโตมาโตมาโตมาก็ด้วยความเป็นกษัตริย์พ่อแม่พีายามป้อนให้มีความสุขทุกอย่าง พยายามกีดกันไม่ให้เจอไม่ให้พบไ ม, ไม่ให้เจอคนแก่คนเจ็บคนตายเพราะถ้าเธอเจอคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วกลัวจะไม่อยู่พ่อแม่ต้องการให้เป็นมหาจักรพรรดิแต่ก็ไม่พ้นด้วยบารมีถึงเทวดามาแปลงร่างให้เห็นนะออกไปนอกพระราชวังเห็นคนแก่เออเราต้องแก่ไปเห็นคนเจ็บโอ้เราต้องเจ็บ ไปเห็นคนตายโอ้เราต้องตายเราก็ไม่พ้นตายอ้าวเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็เจ็บแล้วเดี๋ยวก็ตายเราไปเห็นสมณะโอ้นี่วิธีนี้หละมันเป็นวิธีที่เราจะเข้ามานั่งภาวนาเพื่อเกิดความรู้เกิดความเข้าใจว่าด้วยเหตุใดเราถึงเกิดเราถึงแก่เราถึงเจ็บถึงตายแก่เจ็บตายนี่มันเป็นผลตามมาจากการเกิดเพราะฉะนั้นก็เลยทําความสงสัยว่าอะไรพาให้เราเกิดเนี่ย พระพุทธเจ้าสงสัยว่าพาอะไรอะไรพาให้เราเกิดพระองค์ก็ออกออกบทหนี้ออกบทเมื่ออายุ29่สบาคเพ่งอยู่6ปีและตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอายุก็ประมาณไหร่สามสิบาเป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ตรัสรู้ก็พิจรารณาพิจารณาไปพิจารณาไป ด้วยเหตุที่ไม่มีใครสอนมันก็ไปเข้าหลักปฏิจจสมุปบาทไปเข้าหลักของอริยสัจสี่อริยสัจสี่เขมีรวมอยู่ลงไหนปฏิจจสมุปบาทปฏิปฏิจจสมุปบาทก็ก็มีอริยสัจสี่อยู่ในนั้นนะพอมาเข้าถึงอริยสัจสี่แล้วใครว่ามันย้อนย้อนย้อนย้อนย้อนไปถึงเห็นสาเหตุต้นตอที่แท้จริง ที่เรียกว่าสมุทยัยสมุทยัยโอ้ตัวความอยากในหัวใจนี่เองความอยากก็คือตัณหาในหัวใจนะมันสามารถหลอกลวงจิตของเราไปได้ทุกเรื่องทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่มันจะหลอกไปนะเห็นอำนาจของความอยากในหัวใจความอยากในหัวใจก็คืออะไรตัณหานะตัณหาคือสมุทยัย เวลาท่านอธิบายท่านก็มาเรี่องนี้เป็นการตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาตัวตัณหาที่แท้จริงเราดูเห็นไหมครับดูไปที่ใจของเราเห็นเราพยายามปฏิบัติทำแล้วพยายามย้อนไปดูให้เห็นความอยากในหัวใจแล้วมันจะดับย้อนไปเห็นมัน้วมันจะดับย้อนไปเห็นมันแลม้ ม, แลมันจะดับความอยากในหัวใจความอยากดิ้นรนทยอยทยานไปตามอำนาจของกิเลสนะ ความอยากที่จะตั้งใจปฏิบัติตามมัดตามอริยมัดมีองค์แปดอันนี้เป็นมัดความอยากไปตามอำนาจของกิเลสที่มันพาจิตของเราดิน้นรนทยะยอยานไปนี่เป็นเรื่องของกิเลสพิจารณาไปดูความอยากในหัวใจของเราความอยากนี่แหละมันจะสอดแทรกเข้ามาในหัวใจของเราภายใจของเราพลิกผันตัวเองพันไปกับเรื่องนั้นพันไปกับเรื่องนี้ท่านเรียกว่า จิตดิ้นรนจิตทะเยอทะยานตัณหาคือความดิ้นรนของจิตความทะเยอทะยานของจิตท่านใช้คําว่าทะเยอทะยานจิตมันไม่อยู่มันดิ้นรนมันทะเยอทะยานมันกระเสือกกระสนมันทะเยอทะยานเพราะอะไรเพราะมันเพลินในตาเพราะว่ามีตาไปเห็นรูปมันเพลินในตามันเพลินในเสียงเพราะมันมีหูไปฟังเสียง มันเพลิในกลิ่นเพราะมันมีจมูกไปรับกลิ่นมันเพลิในลิ้นเพราะมีลิ้นไปรับรสอ่ามันเพลินในกายเพราะกายไปสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งนิ่มนวลอ่านอกจากนั้นก็คือสิ่งที่เป็นสัญญาตกค้าไปเป็นอารมณ์ในหัวใจรับตาเราก็เห็นรูปที่เราเคยเห็นอ่ารับตาหรือปิดหูเราก็ เสียงกับก้องจากเสียงที่เป็นสัญญาตกค้างอยู่ในหัวใจของเราจากที่เราเคยได้ยินกลิ่นรสสัมผัสก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจเราเข้าใจไม่รู้ไม่เท่าทันสัญญาที่เป็นเครื่องมือของนามธรรมนี่แหละมันจะเป็นตัวทำให้กิเลสมาสวมรอยพาจิตเรานึกเราคิดปรุงแต่งไปตามมันอย่างไม่รู้เท่าทันมันแหละ อันนี้เป็นตัวร้ายกาดมากนะตัวสัญญาที่มีอยู่ภายในที่อยู่ภายในใจตัวสัญญาที่เป็นมรรคที่พระเจ้าท่านสรงให้เราเจริญเช่นอย่างอ น, นิจจาสัญญาหมายว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงทุกข์สัญญาหมายว่าสังกัดร่างกายเป็นทุกข์หมายที่แรกก็หมายไปก่อนหมายไปหมายไปหมายไปด้วยเหตุที่เราหมายถูกสักวันหนึ่งสักเวลาหนึ่งเราก็จะต้องเห็นกิริยาอาการของมาันที่มันจะพึงแสดงออกภในหัว ใ, ใจของเรา พอเราพอเราเห็นแล้วก็มันเข้าไปถึงต้นเข้าไปถึงต่อเข้าไปถึงต้นถึงต่อของตัณหาตัณหาคือแดนดิ้นรนของจิตความทะเยอทะยานของจิตเราะมีกิเลสมากพรมีกิเลสน้อยกิเลสตัวเล็กตัวใหญ่ระดับต่ําระดับเบื้องต่ําระดับเบื้องสูงมันก็ไปจากตัณหาพาจิตนึกคิดทั้งนั้นแหละพอเราย้อนไป ย้อนไปก็เห็นย้อนไปก็เห็นย้อนไปเห็นพอเราเห็นก็ดับย้อนไปพอเห็นก็ดำก็เริ่มเริ่มรู้ ร, รู้เท่าทันรู้เท่าทันความอยากคือตัณหาภายในหัวใจของเรานี่การที่เราจะรู้เท่าทันการที่เราจะเข้าใจตามหน้าของตัณหานี้ก็เราต้องตั้งมั่นต้องศึกาต้องพยายามอย่างยิ่งยวดต้องพยายามอย่างยิ่งยวดเหมือนกันโดยเฉพาะจิตของเราที่เราจะนึกคิด เป็นไปตามอำนาจของธรรมตามกระแสของธรรมได้โดยที่ไม่ถูกสัญญาฝ่ายกิเลสพาหลอกลวงเราง่ายๆท่านจึงให้เราทำจิตให้ได้รับความสงบคือสมาธิเมื่อจิตตั้งมัน่นมีสมาธิ ค, คือคือจิตพร้อมมีสติมีสัมปชัญญะมีอาตตปะคอยพระคับประคองที่จะเอาจิตพิจารณาตามต่อเนื่อง พิจารณาเกิดความรู้กเกิดความเข้าใจที่ เ, เราเียกว่าวิปัสสนาวิปัสสนาหรือปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาพิจารณาเรื่อยๆพิจารณาบ่อยครั้งจนเกิดปัญญายานพิจารณาวิปัสสนาบ่อยครั้งจนเกิดวิปัสสนาญาณจนเกิดปัญญายานหมายความว่ า, วามันเป็นผลงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เราขบเคี้ยวเขี่ยวงานของเรานี่แหละ ทำไปทํามาจะมีผลแปลกประหลาัจจัรย์ปรากฏขึ้นหากเป็นผลปรากฏขึ้นเองคิดเอานึกเอาาิราศไม่ได้มีที่เรียกว่าปัญญาญาณหรือวิปัสนาญาณตั้งอกตั้งใจทําเราจะต้องมีเราจะต้องอบรมความสงบสลับกันไปพร้อมๆกับอบรมให้เกิดปัญญาอบรมให้เกิดความสงบก็คือสมถะอบรมให้เกิดปัญญาคือวิปัสนา คมว่าสมัทฐนในที่นี้ท่านอย่าไปเข้าใจผิดบางคนสอนว่าสมัทฐาทำให้เราเสียเวลาทํให้เราเสียเวลาสมัทาที่พระเจ้าท่าทรงตรัสในอริยมรรคมแปนั้นนะเป็นสมาธิคือจิตเป็นสมาธิเป็นสมาธินะที่พร้อมถึงพร้อมด้วยสติถึงพร้อมด้วยสัมปชัญญะถึงพร้อมด้วยอาตัปปะไม่ใช่สมาธิแบบหัวต่อเป็นสมาธิ คือจิตตั้งมั่นพร้อมพร้อมที่จะทํางานถ้าเรามาพิจารณาดูตัวเราเมื่อเราจะทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งโอ้เรามีพร้อมเรามีเครื่องมือพร้อมเรามีกําลังพร้อมีหัวคิดพร้อมกาลังจะทำอยู่อย่างนี้อย่างนี้นี่เมื่อพร้อมแล้วเร า, เร า, เร า, เราก็สามารถทํางานได้เมื่อพร้อมแล้วเราเราก็ทํางานได้เมื่อความสงบเรามีกําลังพอเราก็เอาจิตที่สงบของเราเนี่ยพิจารณางาน เพื่อจะได้งานอย่างเดียวคืองานพิจารณเกิดความรู้ความเห็นอันจังทุกข์ทุกั้ตาแต่ถ้าเราไม่มีความสงบจิตของเรายังหิวอยู่ยังกระหายอยู่ตามหน้าของตัณหาตัณหาจะหลอกจิตพาดิ้นไปเรื่อยดิ้นไปเรื่อยดิ้นไปเรื่อ ย, อยอที่จะให้รู้แจม่มแจม้งชัดเจนเป็นปัญญาหรือเป็นปัญญาญาขึ้นมา เ, นเป็นไดยากมีแต่จะถูกกิเลสหลอกไปตามสัญญาอารมณ์ เพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านจึงเน้นน่ะสมาธิคือความสงบคือความตั้งมั่นแหจิตเราจเจริญภาวนาทีไรเมื่อไรเมื่อจิตไปตั้งมั่นได้รับความสงบมากก็ตามน้อยก็ตามเราก็พิจารณาทางด้านปัญญาให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจไปสลับสลับกันไปตลวงตาท่านสอนให้พิจารณาสลับกันไปพิจารณาทางด้านปัญญาเน็ดเหนื่อยให้สงบ สงบมีกําลังพอจิตถอนออกมาก็พิจารณาทางด้านปัญญาเหมือนกับขาเท้าซ้ายเท้าวขวาขวาซ้ายขวาซ้ายเดินไปได้เพราะฉะนั้นสมาธิกับปัญญาท่านจึงสอนให้เจริญไปสลับกันไปสมาธิยิ่งมากยิ่งละเอียดมากเท่าไรความละเอียดของจิตพิจารณาเกิดความรู้เกิดความเห็นมันก็แจ่มแจ้งชัดเจนมากเท่านั้น ยิ่งไม่มีสมาธิเลยมีแต่สัญญาอารมณ์มาหลอกในหัวใจมันหลอกในหัวใจเนื้อคิดล่องลอยไปเรื่อยเปยแล้วไปยึดผิดคิดผิดเข้าใจผิดสัมพันธ์ผิดคิดว่าเป็นของแท้เนื่องจากว่าจิตของเราไม่ไมิตไม่มีหลักคําว่าหลักในที่นี้หมายความว่าคือความสงบคือจิตไม่มีสมาธิมีความตั้งมั่นเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราเราหนึทําำจิตให้ได้รับความสงบ เราจะเอาให้สงบด้วยวิธีใดด้วยบทบาทใดเราก็ทำาคือกุธโธกุธโธพุธโธพุโธติยิบข้อสาคัญให้มีสติคือความรล า, รญญ า, ามรลึกรู้สึกตัวได้สัมปชัญญะคือความระลึกรู้สึกตัวมีสติกับสัมปชัญญะสติกับสัมปชัญญะที่มันอยู่ในกายเวลาเราลึกถึงตอนไหนได้ตอนไหนให้เราจับไว้นี่นี่คือสตินี่คือสัมปชัญญะคือความพร้อมตัวอยู่อย่างนี้ เราก็พยายามทรงความรู้ตัวอยู่อย่างนั้นไว้ตลอดโดยให้เขายึดหลัอกอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นคำบริกรมรมเช่นย่งพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไม่ไม่นึกคิดเรื่อป่ยไปตามเรื่องอื่นนึกคิดสิ่งเดียวนึกคิดเรื่องเดียวนึกคิดสิ่งที่เป็นธรรมในระหว่า <heeft> งที่ทํ า, <waterfall> ทาจิตยังไม่ได้รับความสงบเลยก็ถือว่าเราอยู่ในแบบอย่างเราทําตามแบบอย่าง RNA. เราทําตามแบบอย่าง เป็นความเป็นพุทโธโดยแบบอย่างเวลาเราจิตเราสงบไปแล้วเป็นเป็นความสงบโดยเนื้อหาเนื้อหาของความสงบแท้ๆคือสงบนิ่งอยู่ในภายในเนี่ยอันนี้คือคือเนื้อหาของความสงบมันทำให้ใจตรงนั้นตื่นแล้วก็เบิกบานจิตตื่นจิตเบิกบานไม่ใช่จิตหลับนะจิตสงบจิตหลับแบบนั้นใช่ไม่ได้อ่า เอาไปพิจารณาเอาไปทำงานไม่ได้ถ้าเป็นสมาธิท่านเรียกว่ามิจฉาสมาธิเพราะฉะนั้นสมาธิที่เราจะพึงเจอิญให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นเราพยายามมีสติให้พร้อมมีสัมผชัญญะให้พร้อมประคับประคองไปอย่าให้ขาดสองตัวเนี่ยเพราะสองตัวนี้เนี่ยทำงานกลมกลืนกันไปนะจะกลายเป็นปัญญาตัวสติตัวสัมผััญญาจะกลมกลืน อาผสมผส า, ภ า, ภ า, ภ า, ภากนกันกับอาตปะคือความภากความเพียรที่เราพยายามประคับประคองอารมณ์ในภายในเนี่ยจะกลายเป็นปัญญาจะกลายจะเกิดความรู้เกิดความเห็นรู้เท่าทันก้นอุบายมา ย, ยารู้จักตัวสมุทัยที่แท้จริงคําว่าสมุทัยในภายในนี้คือสมุทัยคือคือเหตุของเหตุทั้งหลายทั้งปวงสมัติสามารถย้อนไปจนถึงเหตุของเหตุทั้งหลายทั้งปวง อยากพวกเราย้อนไปอย่างทุกวันที่เราไม่ถึงถ้าเราไม่ปฏิบัตนะิธรรมนั้วเราย้อนไปไม่ถึงเราย้อนไปแล้วไปเจอผลอย่างหนึ่งอย่างได้อย่างหนึ่งเราก็ว่าเหตุไม่ใช่ย้อนไปจะถึงเหตุของเหตุที่แท้จริงคือความอยากภในใจนั่นแหละเพราะฉะนั้นเวลาเวลาเราเริ่มลดละเพื่อละเลิกเพื่อลดเพื่อละกิเลสตัณหาอาสวะเรา เราก็ เ, เริ่มมาพิจารณาที่ใจพิจารณาให้รู้เท่าทันตัณหาภายในหัวใจความอยากความดิ้นรนของใจเราดูไปเมื่อสติเมื่อปัญญาเราทันเนะความอยากมันก็ตกไปเมื่อสติปัญญาเราทันเนะความอยากมันก็ตกไปเมื่อความอยากตกไปแล้วผู้รู้ตกไปไหมผู้รู้ไม่ตกไปผู้รู้ก็เด่นขึ้นมาเอ้ากลายเป็นผู้รู้ที่แคล้วคลาที่ฉลาดมีความอบอุน่นมีความอิมอ่มเอิบมีความตื่นเนื้อถึงตัวในตัวเอง เรื่องอันสืบเรื่องจากการที่เราพิจารณาเกิดความรู้เกิดความเห็นเราเห็นตัญหาดับมากดับน้อยเท่าไรา้อเราก็มีจะมีผลเพิ่มไปมากเท่านั้นมากเท่านั้นถึงขั้นถึงขั้นเข้าถึงอริยธรรมขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามเราก็จะถึงได้ ตามความภาคความเปลี่ยนความอุตสาห์พยายาตามผลที่เราจะพึงตั้งใจประพฤติปฏิบัติแล้วก็พึงได้ครับนี่อันนี้คือวิธีการที่เราปฏิบัติธรรมเอาสติเอาสัมผัญญาของเราเนะ่ยพิจารณากำกับกิริยากายกิริยาวาจาและกิริยาใจของตัวเองไม่ไม่ให้มันคลาดไปจากการระวัตรระมัดระวังรักษาเนื้อเนื้อตัวเอง ถ้าเราประมาทเมื่อไหร่ก็คือก็คือเราขาดความระมัดขาดความระมังระวังแล้วกิเลส ก, ก็เอาจิตของเรานี่นแหละไปใช้งานตามอำนาจของมันกลายเป็นทาตของกิเลส ก, กลายเป็นทาตของตัญหาไม่รู้ จ, จบจบไม่รู้จบสิ้นเนี่ยคือการตั้งใจพระพุทธธรรมตั้งการตั้งใจปฏิบัติธรรมเราต้องหมุนมาตรงนี้เพื่อรู้หเห็นเพื่อรู้เท่าทาัน ภาวะความเป็นไปของกายนี้ของจิตนี้ของกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตที่มันพาจิตหลอกให้จิตเนี่ยดิ้นรนเทยทยานไปตามอำนาจอำนาจของมันโลกนี้คือโลกที่ก่อตัวขึ้นมาด้วยอํานาจของกิเลสตันหาอาสวะเพราะฉะนั้นความเป็นไปของโลกก็คือความเป็นไปของกิเลสตันหาอาสวะผลข้อมานั้นมีแต่ความเร่าร้อนอยู่ทุกระยะทุกวันทุกเวลานาทีหากเราพอมีความสุขอยู่ได้บ้างก็เพราะว่า เรามีศีลมีธรรมในในใจของเราบ้างศีลธรรมนี้ให้ผลคือความสุขคือความชุ่มเย็นในภายในเหตุใดที่จะเป็นเหตุให้เราได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนด้วยกายเราก็ละเราก็เว้นด้วยวายจาเราก็ละเราก็เว้นด้วยใจก็คือเราก็ยิ่งเข้าไปละเข้าไปเว้นให้ได้ความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงในหัวใจเราจะเริ่ม ตื่นเนื้อตื่นตัวรู้สึกเนื้อรู้สึกตัวแล้วก็จะเ พ, พิ่มภูนทวีคูณคุณธรรมในภายในใจของเราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่การทํางานของเรานั้นจะต้องทําอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าเราทํำเราทำหยุดอ่ากผเมื่อเราถูไม้เกิดไฟนะถูถูถููููกลมจเริ่มร้อนหยุดอ้าวไม่เย็นไปแล้วถูอีกถูถูถููเริ่มร้อนหยุดหยุดไม่เย็นไปแล้ว การที่จะถูจนได้ไฟใช้ถูไปเรื <or. S 1> ่อยจนไฟติดอูถูถูถูถูถูเร็วไปเรื่อขยับหน้าไปเรืขยับไปเรืยขยับไม่หยุดหย่อนจนเกิดควันจนเกิดไฟแดงๆป่าวนจนเกิดเปลวขึ้นมาได้ไฟใช้หมายความว่าเราปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมธรรมที่จะพึงเกิดขึ้นได้จะเกิดขึ้นตาม อำนาจของเหตุที่เราตั้งใจประพฤติทำธธรรเราตั้งใจประพฤติทำสมเหตุสมควรที่จะได้ธรรมะชั้นไหนชั้นไหนมันก็จะได้ตามเหตุตามปัจจัยที่เราตั้งใจประพฤติปฏิบัตินี่เองยังไม่สมควรจะได้มันก็ยังไม่ได้ทำจนสมควรที่จะได้ผลย่อมสมกับเหตุที่จะพึงทำให้พึงเกิดขึ้นมีมีขึ้น เพราะผลทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่เกิดขึ้นลยอยๆเกิดขึ้นจากการสร้างเหตุโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติธรรมด้วยแล้วต้องเกิดขึ้นจากการมีสติมีสัมผชัญญะมีเกียรติจำ侬มีเจตนาความตั้ง อ, อกตั้งใจทำอย่างไม่ขาดสติไม่ขาดสัมผชัญญะไม่ใช่หลงละเม อ, อเพลาะพกศบล่อ อ, อย่างนั้นอย่างนี้เกิดจากการคาดคือจากการเดา แล้วว่าทำให้เราสมผลอย่างนั้นสมผลอย่างนี้ผลจะพึงเกิดขึ้นตามอํานาจของเหตุที่จะพึงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราทํำยังไม่ถึงเราทํายังไม่ได้เราทํำยังไม่ถึงเราก็พยายามทําจนได้ทําจนถึงทําชั่วโมงให้พอถูจนไม้ร้อนร้อนจนเกิดเป็นไฟขึ้นมาธรรมะในใจของเราตะปะทำตะปะทำในหัวใจเราพยายามขัดเกลาก็าไป จนกิเลสมันร้อร้อนในหัวใจของเรามันแผดเผากิเลสฐาหาสวายมันเงิดไปแห้งไปจนธรรมะทั้งหลายจะพึ่งเกิดขึ้นในหัวใจของเราเราต้องอุตสาพยายามทำทำความภาคความเพียรเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ท่ามกลางอยู่ท่ามกลางที่เราจะพึ่งเดินไปตามหลักของศีลของสมาธิของปัญญาศีลเราจะต้องเจริญเราจะต้องรักษาถ้าเราทิ้งศีลก็คือเราปล่อยให้รูปภุมเข้าไปสู่หัวใจของเรา เมื่อเราปล่อยเรือที่มีรูคุณทะลุเข้าไปทับท่วมเรือสักหน่อยหนึ่งเดียวเรือนะครับจมลงไปเราไม่รักษาศินตรงนั้นก็ทะลุตรงนี้ก็ด่ามตรงนั้นก็พร้อยอันนั้นก็รละเมิดนี้ก็ร่วงละเมิดการที่เราละเมิดศินแต่ละข้อแต่ละข้อก็คือบาปแต่ละข้อแต่ละข้อคือกิเลสที่มันแทรกมาแต่ละรูแต่ละรูแต่ละช่องแต่ละช่องนั่นแหละท่านจึงให้ปิดรูปิดรูรั่ว ปิดรูรั่วเรศินก็ปิดรูปิดรูไม่ให้น้ํามันทลักเข้ามาทับถมหัวใจด้วยการรักษาศีลศีลสามารถทําให้กายของเราสงบได้ทําวาชาของเราให้สงบได้การรักษาศีลเอาศีลมากากับกายของเราเอาวายเอาศีลมากากับวาจาของเราเราไม่โล่งล้เมิดด้วยวาจาเราไม่โล่งน้เมิดด้วยกายเในเมื่อเราไม่ล่งล้ำมึดด้วยกายด้วยวาจาแล้ว เราก็จะไม่โลงละเมิดด้วยใจเพราะฉะนั้นเราจรึงมาสมาธิคือมาทำจิตให้สงบทำจิตให้สงบ ก, ก็คือรักษาจิตของเราไม่ให้กิเลมันแทรกเข้ามาในหัวใจมันพาคิดเรื่องรักเรื่องชังเรื่องโกรธเรื่องเปียดเรื่องอิจฉาทิสยาพยาบาทเราก็ปิดกั้นเอาไว้ให้จิตมันอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเมื่อจิตอยู่กับอารมณ์เดียวจิตก็เริ่มสงบ ในความสงบของจิตอันนะัมันมีความสุขนะมีความอิ่มเ อ, อิบมันมีความสุขมีความประ ย, ยิมยิ้มย่องปัญญาพื้นพื้ น, นที่จะพึงเกิดขึ้นในสมาธิมันก็มีขึ้นคนที่มีจิตเป็นสมาธิจะมีความนึกความคิดแบบเป็นสัจจะสัจธรรมรอบข้างตัวเราจะเริ่มปรากฏเนื่องจากว่าจิตเราเริ่มสงบเมื่อจิตเราเริ่มสงบสัจธรรมรอบๆข้างตัวเรารวมมาถึงความสงบภายในใจของเรา สัจธรรมคือของจริงของแท้ไม่ใช่ของปลอก <c oughs> ก็จะเริ่มปรากฏขึ้นจากนั้นเราก็ใช้สมาธิที่มีความจิตมีความสงบพิจารณาให้เกิดปัญญาให้เกิดความรอบรู้รอบรู้ในกองสังขารกาย ร, รอบรู้ในกองสังขารใจนี่คืออุบายวิธีศาสนาศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาศีลสมาธิปัญญา รวมลงแล้วอริยภาพมีองครวมลงแล้วคือศีลสมาธิกับปัญญาเราเดินตามนี้ทือว่าเดินตามรอยของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวพระอริยาสาวกสัางเดินไปแล้วเป็นหนทางไปสู่ความสุขไปสู่ความกเกษมไปสู่ความมิมดดุติพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงพ้นจากวัฏสงสารเกิดมาแล้วกับแบกกองทุกข์อนโทษอย่างไม่จบไม่สิ้น แล้วก็ทําลายความรุ่มหลงภายในตัวเองความหลงเพื่อเอาวิชาไปในหัวใจของเราเนละมันรอเราทําทุกสิ่งทุกอย่างสรรพัตตามอํานาจของกิเลสที่มีอยู่ภายในหัว ใ, ใจนะเราพิจารณาเห็นโทษเห็นภัยของมันแล้วเราก็จะเข็ดเราก็จะลาวนะเราก็จะมีความตั้งใจที่รักตั้งใจงดตั้งใจเว้นตั้งใจอุตสาหพยายามที่จเจริญผลให้เกิดขึ้นมีขึ้นต่องไปพิจารณา ในพระพุทธปฏิบัติเป็นบายเป็นวิธีมีวันที่หกมีนานี่เราก็จะมการบวชพระนะวันที่หกมีนานไปนี่มู น, กนยกนนยหน้ายจัหวัดมากาบวชที่นี่บวชนาสามหน้าเนี่ยฉันเสร็จแล้วก็บวชที่มูลยกนายจังหวัดกับเลขาแล้วก็ให้พาผู้สวนมาด้วยอาจันวานท่านมีอยู่ จารย์บอกท่านไปอินเดียวันที่หนึ่งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่เจ็ดนะก็เลยไปในมณฑลยี่ห้อจังหวัดเมื่อวานไปในมณฑลท่ันว่ามาได้วันที่หกวันที่หกเป็นวันโกนวันที่เจ็ดเป็นวันมาฆะวันมาฆะนี่ท่านน่าจะไม่ว่าวันที่หกเราก็เตรียมให้พร้อมบริขานเออยอะไรต่ออะไรเออย ไม่พร้อมคาท่องคำสวดรวมไปถึงหลักฐานในเอกสารที่เราจะต้องเขียนลงวันเดือนปีอะไรอะไรเขียนให้เรียบยรอ้อยพร้อมไปตั้งชื่อใช้ ย, ยาใชา้ ย, ยาของตัวเองว่างไงไปขาดได้ถูกใช้ ย, ยาของพระอุปัชฌายะอินดาอินดะปัญโยอินดะปัญโย อินทพัญโยนี่แหละอินทพัญโยอินทพัญโยจาก n a t จังหวัดอินทพัญโยไปดูให้เข้าใจมันคล่องพอเวลาวันบวชเราจะได้ไม่ไม่เคอะไม่เขินวันนั้ น, ก, ก, นดดก็ช่วยดูกันแหละมีแขกมีพี่น้องมีญาติโยมาอะไรก็ช่วยดูกันฉันเสร็จฉันเสร็จก็บวชถ้าเราไม่เอาตอนเช้าเราก็ไม่ทัน ตอนข้าเราจะเดินทางไปนู่นเข้าไปประเทศอื่ะมีธุระไปประเทศอื่นจะต้องไปทันหกโมครึ่งไม่พูดทำไมเขาฟังในเมื่อเขาเห็นความสำคัญเราก็ไปทาได้เขาเห็นความเปลี่ยนเห็นความสำคัญ ในเมื่อเราบอกเราสอนให้คนทั้งหลายพยายามตั้งใจศึกษาธรรมประพฤติทธรรมปฏิบัติธรรมในเมื่อเขามีความต้องการแล้วแต่เพื่อเขาเรียกเร้องเราไม่ไปตามนั้นมันก็รู้สึ ก, สกรู้สึกว่าขัดอ่าขัดความขัดผลประสงค์ของเราเหมือนกันเพราะฉเวลามีก็ต้องไปไปมันลำบากมากก็ต้องไไปไม่ไรู้ทําไงล่ะ เขาอาศัยตนประโยชน์เขาวบ้าอาศัยตนประโยชน์เราบ้างเราพึ่งเขาเขาพึ่งเราเราพึ่งโลกโลกพึ่งธรรมพอจะช่วยเหลือกันได้บ้าแล้วก็ช่วยไปเอาวันนี้พอสกควรนะพอสมควรนะติแค่นี้แล้วในครัวเป็นยังไงในครัวเหลือฮีโคนในครัวในครัวที่มาจากกรุงเทพกลับมาแล้วยังกลับตอนไหน กับวันนี้เหรอเมื่อวานลับมนี่หกทั้งหมดเลยเหร อ, อแล้วใครใครม า, จ, า, ราจันบางอ่อนเหรอจันบางอ่อนจะกลับตอนไหนตอนที่ห้าอนที่ ม, มีอะไรไหมในครัวมีอะไรไหม ออปลาปลาหน้าเนอะปลาหน้านี่เราเจอเยเราเราเราจับว่าเราไม่ได้ฉันอะไรหรอกเราฉันปลานะดูนะดูความสะอาดนะคือมันอาจจะมีไม่รู้จะเป็นเนยหรืเปล่าเนยใครทําเนยกล ม, ลมๆเท่าโปรดยีนพอมือเนี่ะเราไปฉันไปสองเมตรเนะี่ยมันจะเข็มๆนะเราไฉันน้านําปลานะนี่แค่นั้นเองนะนี่ตอนข้ามเลยมันยังไม่ได้ฉันอะไรนะ งั้นมาอาเกียนมันไล่ะาเกียนตั้งแต่นั่นตอนปัดตากหมดแรงพวกอาหารพวกอะไรนี่ก็ต้องระวังกันอาหารก็เป็นของเสียของบูดของอะไรทิ้งเลยอย่าไปเสียไดย้พอมาแล้วมันเสียมีพระเราเลือกไว้หน้อยอย่างนั้นอัไหเน่าอัไหเสียอันไหบูด ไหนหมดอายุเสียดูให้ดีที่สําคัญคือให้สะอาดเครื่องไม้เครืมือให้สะอาดสุกไฟให้สะอาดน้ำปลานักเราก็ต้มสุกถือว่าน้ำสะอาดในระหว่างที่เราเก็บไว้ให้มันเย็นมันมีอะไรบ้างก็ดูให้ดีแล้วตอนที่เราผสมปลาหนัก คน่าสะอาดหรือไม่สะอาดผลไม้บูดก็มีบางทีก็มีกลิ่นหมักบางทีก็เป็นราเปนอะไรต้องระวางังแต่ก็ไม่ค่อยเป็นนะปกติเราไม่ค่อยแทบไม่เคยเป็นไอเดียนเพิ่งเป็นคือคิดว่าท้องมันไม่รับอพอออกแล้วมันคือถ อ, อ, อ, อมันจะออกจะออกจะออกอเลิกแค่นี้ ขอเจ็บ oh ไ no, oh right. so ่ด้ขอเจ็บเลยขอหนูขอขมาขอมาขอหนึ่งสายเขาบอกยัขอก็ได้อ๋อไปขอเอาเลยกลัวกลับใช่สาธ พระเจา ขึนต้องให้ละเอียดขึ้นนะพราะว่าไม่ใช่ยิ่งทาไปยิ่งยิงเหลวไปยิงเละไปนะอย่าเอาความเห็นแก่ตัวมาใช่นะงานส่วนตัวงานส่วนรวมให้รู้จักใครเป็นคนมาเอาเปรียบหมู่คนนั้นแหละคือเสียเปรียบหมู่นะใครตั้งใจจะเอาเปรียบหมู่คนนั้นแหละจะเสียเปรียบหมู่ใครคนใครตั้ง อ, อกตั้งใจทําเอาตัวเองเป็นที่ตั้งคนนั้นแหละจะได้เปรียบ แต่ไม่ต้องว่าเราจะได้เรียบใครเราได้เปรียบกิเลสในใจของเราเนี่ยครับทจแข็งจะอ่ อ, อนเอนะมันจะยิงอยู่นานไปเท่าไรายิงเละตูไปอย่างตอนเช้ามาก็มาให้ทันพระขาวเหมือนกันเนี่ยตอนเช้ามาให้ทันยังช้าที่สุดกที่สี่ถึงนี้จะได้ปัดกว่าเละตูอะไรที่สี่เสร็ จ, รจก็ได้ําวัะ ก็ได้นงภาวนาแต่เราอาศัยได้ตอนเช้าเนี่ยตอนเช้ามาทุก ว, วันยกเว้นผู้ที่มีฉันนะก็าขาวมาไม่เคยเคยทำยังไงก็ตามใจตัวเองไม่ใช่นะเราใหม่เราต้องต้องขัดเกลาวตัวเองไม่ใช่เราอยู่เป็นฆราวาสยังไงเราก็เอาคตินิสยัยเป็นฆราวาไม่ใช่แบบนันเคยพูดตามใจตัวเองยัไงก็พูดอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ได้ พูดยังไงเป็นสีนเป็นทรรก็พูดอย่างนั้นพูดยังไงที่เป็นเหตุก็เทบก็บเชินหมู่เพื่อนก็ต้องให้ระวังคิดเอาตามใจจะขอไม่ได้ต้องคิดอย่างมีหลักมีเคียงมีระบบมีระเบียบคิดแบบคิดยังไงแบบไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมทำาังไงแบบไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมนึกคิดยังไงแบบเป็นธรรมให้เรารู้จัยอนเอนะอย่า อ, เอเ่อนแอจะแท้พระราก็ออย่ อ, อ่อนแอ ทำข้อวัดมันย้ายอ่อนเองตั้งตัวเราได้ไม่ใช่อยู่ไปก็อ่อนแอไปอยู่ไปก็อ่อนแอไปนะที่เราเคยปล่อยปล่อยมา <S <S 1> <S 1> เห็นว่าเราปล่อยอย่างนั้นก็จะอ่อนแอไปตลอดไม่ได้จะต้องแข็งแข็งแกร่งขึ้นเคยอนุโลมอย่างั้นเคยอนุโลงนี้ อ, อนุโลมเพื่อที่จะไม่อนุโลมไมาใช่ยิ่งอยู่ไปแล้วยิงอ่อนแอไปไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ไม่ไม่ว่าผู้เก่าไม่ว่าพูกใหม่นะ ยิ่งอยู่ไปจะต้องละเอียดไปยิ่งอยู่ไปจะต้องแข็งแรงไปจะต้องแข็งแกร่งไปจะต้องละเอียด้กับตัวเองเอาไปเองเป็นที่ตั้งดูไปแล้วก็ยันยานหมูหมูเราโดยเฉพาะยันฝนตกเนี่ยฝนตกพายุอะไระตัวอะไรกฏติของใครของใครข อ, ของใครก็ต้องกวาดกวาดกฏติของเราถ้ามันรบเมื่อไรเรากวาดเมืนนะ่อนั้นโดยเฉพาะกวาดมาส่วนรวมเนี่ยใ ห, เ ร, ใหเรากวาดตรงเวลา แม้แต่ส่วนรั่วมีก็ตามประมาตอนเช้ามันรบเราต้องเชื่อยกันปัดมันรบมากโอยเราเหลือไว้ได้งไงถ้าเราไม่ปัดมันรบสะจนขนาดนี้เราต้องปัดอย่าเอาหูเป็นด้เอาตาไปได้ย่าช่วงชาโม่ถึงหน้าหน้นช่วงชาอยู่นั้นแหละจะทําก็ไม่ทำไม่กลา้าทําไม่กล้าสัดสินใจไม่กล้าทำอะไร ต้องกล้าตัดสินใจทําสิ่งที่เป็นที่ที่เป็นกุศลท้อกล้าตัดสินใจไปทําไปเถึงอันไหนนี่มันผิดถ้าเราเห็นเราจะบอกเองโอ้อยังงั้นไม่ได้อย่างงั้นผิดข้อวัดก็ให้มันละเอียดขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่ทําไปยังไงก็ทํำอย่างงั้นแหละที่จะพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นกว่า น, นั้นให้ขยับขึ้นกว่า น, นั้นไม่มีให้มันขยับขึ้นอย่างทุกวันเนี่ยมาดู พากันดูตามห้องนะ้ําห้องหลายป่ามปัดไปตามห้องนะ้ําผ่านไปแล้วก็ไปปัดๆไปปั ด, ป ด, ป ด, ปดรอบข้างแล้วก็ไปดูไปสาดนะ้ําไปเช็ดไปถูไปล้างไปอะไรดูแวบดูสบู่ดูอะไรกระดาษไปดูคนใหม่เห็นคนเก่าก็ทำก็ต้องไปทําต้องไปช่วยกันเขาทํำห้องนั้นเราก็ทําห้องนี้ไม่ใช่ปล่อยให้แต่ไฟได้ไฟมีงทาใครทำค น, นนั้นไน้ ใครไม่ทำคนนั้นไม่ได้อยู่งอดักดานตลอดการไม่มีผลเพิ่มนั้นได้ดกดับตนะัตนวนี้เสียเวลาตั้งใจนะตอนเช้าในไมา้ทันไม่เทไม่ใช่เขาสวดมนต์เสร็จแล้วเขานั่งาาภาวนาแล้วมา ม, า, ม, ม, า, มาบางทีก็มาควรเขาซะอีกมันก็ต้องระวังถ้าเรามาทีหลังมันควรกันมันรบขวางกันเรมาก่อนลุกพรวผพาดมาเลยลุกพรวดพาดมาเลยยกเว้นแต่ว่าไม่ฉ่ำยิ่งหน้าเนี้ใบไม้มันเกิด็ดกัางนี่ ดูปัดกวาดปัดไปทั่วไม่เคยเคยปัดแต่ตรงไหนก็ปัดแต่ตรงนั้นพุทธิไหนไมีมีคนอยู่บริเวณที่ส่วนรวมตรงไหนไม่มีคนไปดูไปแล้วไปปัดเขาไปดูเขาดูบ้างเราดูบ้างสลับกันไปสลับกันมาช่วยดูกันที่อื่นเขาดิดีเขาสะอาดสะอานปนะเป็นระเบียบเรียบรอ เ, เ, เพราะเขาทำเอาเราไม่เรียบร้อยไม่สะอาดสะอานเพราะเราไม่ทําแน่ เราต้องทำทำให้ยิ่งทาให้ยิงยิ่งเป็นไปถึงที่มีรายเสียกุฏิกุฏังที่มันรกเราไม่ไม่จาเป็นจะต้องคอยเวลานะรกตอนไหนก็ปัดเลยกุฏิที่เราอยู่นะรกตอนไหนก็ปัดได้เลยยกเว้นปัดมาที่สลาเนี่ยเราไม่ต้องมาถ้าหาไ ม, ไ ม, ไม้ไม่มากเกินปกติเราก็ไม่ต้องเราก็คอยปัดตามเวลาแต่ถ้าเหมือนอย่างเชวานี่น ฉันเสร็จปักเราก็รีบเลยพรตอนเช้าเราไม่มีเวลาพรได้รุนปักเราก็ออกมินตาบาดวินตาบาดกลับมาเราก็ไม่มีเวลาเราก็ ม, ม, าก ม, กมาจัดมาขบมนฉันฉันั้นแล้วบริเวณแถวนี้เราก็ยังเพิ่งกลับปัดสักก่อนกลับไปแล้วมันมาก็ไม่ทันแล้วช่วยกันปัดช่กคนละนิดคนละหน่อเนะสร็จตรงนีน้ไม่เชื่อลองจับคนลนิดคนละน่อยเดี๋ยวก็เสร็จแป๊บเดียวก็เสร็จ แ, แล้วแต่ถ้าเราไม่ดูก่อนเนี่ยคนที่ทําขาลำหนัก คนที่ไม่ทําทีก็เอาเวลาไปทิ้งซะอีกเราปล่อยเราปล่อยให้ไปอยู่กุฏิโดยลำพังเราเข้าใจว่าไปเดินเปกลมไปนั่งเภานานะอย่าเอาเวลาของเราไปไฉลุงเล่นไปอยากหนึ่งนะใครไม่ไปตั้งความเพียรในนั้นเนี่ยหมู่มีธระอะไรมันช่วยกันถ้าไม่ช่วยธระหมู่ก็มีสองอย่างไปทําความเพียรทําไม่ทำความเพียรต้องมาช่วยธุระหมู่ไม่งั้นมันจะ เวลาไปออกนอกอย่าง อ, อึ่งเอาเวลาอเราไปทิ้งหมดบางคนนอกจาออกเอาไปทิ้งแล้วไปทำลายตัวเองก็มีให้พวกเรากำเนิเงิน ใ, นใจทุกข์ทุกอย่างเหมือนกันมันเป็นการเช็ดเป็นการตรวจสอบตัวเองเอาเลิก